ทรงตำหนิพระสุธรรมพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมคบุรุษการกระทำอย่างนั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำโมคบุรุษจิตตะคหาบดี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 ที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่บางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีคะถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นสงจงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธ ร, รม โดยสั่งให้ภิกษุสุธรรมนั้นไปขอขมาจิตตะคหะบดี